รีาสาวแสนดีกาละครั้งหนึ่งในหมู่บ้านยังมีช่างทำของเล่นที่ชื่อแฮนเดอร์ที่อาศัยอยู่กับภรรยาและลูกชายของเขาแฮนเดอร์จะตื่นขึ้นมาในตอนเช้าและไปเก็บดินเพื่อสร้างของเล่นสำหรับเด็กๆทั้งสิงโตเวียนมาแมวราชานางฟ้าและเจ้าหญิงแล้วทิ้งพวกมันไว้ในห้องทางานเพื่อให้พวกมันแห้งและนาพวกมันไปเตรียมขายใกลๆ ก, กับหมู่บ้านส่วนภรรยาของเขา จะเตรียมอาหารเช้าและอาหารเที่ยงให้กับเขาแฮนเดอร์ชอบอาหารของภรรยาของเขามากเธอปรุงมันอย่าง อ, ร, อร่อยเขาจะไปที่หมู่บ้านทั้งสี่แห่งเพื่อขายของเล่นอาหารพร้อมแล้วนะคะอืมกลิ่นหอมจังผมพร้อมจะกินมันทั้งหมดแล้วตอนนี้เอาจริงๆนะคุณทำอาหารได้สุดยอดที่สุดในโลกเลย <c oughs> รีบไปเถอะคะ่ะเดี๋ยวสายนะ ใช่แล้วล่ะผมต้องไปแล้วไว้เจอกันตอนเย็นนะบายครับพอ่อบายตั้งใจเรียนนะลูกในทางเดินเพื่อไปถึงหมู่บ้านใกล้ๆแฮนเดอร์ต้องผ่านป่าแฮนเดอร์ชอบที่จะนั่งพักใต้ต้นไม้และทานอาหารเที่ยงของเขาท่ามกลางเสียงนกและแม่น้ำที่ไหลรินมันเป็นปิกนิ ก, ลกเล็กๆทุกวันของเขาและในวันหนึ่ง ขณะที่เขากำลังทานอาหารมีปีศาจสาวตัวหนึ่งผ่านมาอืมกลิ่นอะไรนะ่าอร่อยจังนี่เป็นกลิ่นอาหารแน่เลยกลิ่นมันหอมมากมันจะอร่อยแค่ไหนกันนะมันต้องอร่อยแน่ฉันอยากลองมันจัง ดังนั้นในวันต่อมาปีาศาจสาวรอให้แฮนเดอร์มาถึงเมื่อเธอเห็นเขาเดินมาเธอเปลี่ยนตัวเองเป็นเด็กสาวที่กำลังหลับอยู่ใต้ต้นไม้แฮนเดอร์มาถึงและพบเธอผู้หญิงมาทำอะไรที่กลางป่าแบบนี้นะเ อ, อสวัสดีค่ะท่านเธอเป็นใครแล้วมาทำอะไรที่กลางป่าแบบนี้ ฉันชื่อโดน่ามาจากหมู่บ้านใกล้ๆค่ะฉันกำลังหางานทำแต่ว่าฉั้นหลงทางคุณพอจะรู้ไหมคะว่าหมู่บ้านดิว่าเดวไปทางไหนนะคะ่ะโอ้นั่นหมู่บ้านของข้าเองแล้วเธอจะไปทำงานกับใครละ่ะไม่ข้าต้องการทำงานถ้าทำได้ทุกอย่างเลี้ยงสัตว์ทำความสะอาดบ้านมีอย่างเดียวที่ทำไม่ได้ก็คือ ข้าน่าทำอาหารไม่ได้เลยภรรยาของข้าควรมีคนช่วยดูแลบ้านเธอจะรังเกียจไหมถ้ามาทำงานในบ้านของเราได้แน่นอนค่ะงั้นมากับฉันสิดังนั้นแฮนเดอร์จึงพาปีศาสาวมายั่งบ้านของเขาภรรยาเขาดีใจมากที่มีคนมาช่วยปีศาสาวพิสูจน์แล้วว่า เธอทำงานได้เยี่ยมจริงๆเธอทำความสะอาดบ้านเลี้ยงสัตว์และดูแลสวนเป็นอย่างดีไม่นานเธอก็เปรียบเสมือนเป็นคนในครอบครัวของแฮนเดอร์เธอรักอาหารที่ภรรยาของแฮนเดอร์ทำมากคุณนายแฮนเดอร์ทำอาหารได้ดีที่สุดในโลกเลยล่ะคะ่ะฮ่ฉันก็บอกเธอแบบนั้น ฉันไม่เคยกินอะไรแบบนี้มาก่อนเลยเป็นเวลาหนึ่งพันปีในป่านะพันปีในป่าอย่างนั้นเหรออ่อเออโทษทีค่ะ ข, ข, ข้าแค่ล้อเล่นนะวันหนึ่งเป็นอะไรไปเหรอแฮร์รี่โดน่าดูสิไม้ตีของฉันพังนะ ถ้าพ่ออยู่นี่พ่อก็คงซ่อมให้เอาสิเดี๋ยวพี่ซ่อมให้เองพี่ทำได้ไง่ายอ่อาคาถาเวทมนต์อะไรนะล้อเล่นจะแฮรรี่ภรยาของแฮนเดอร์ได้ยินทุกสิ่งทุกอย่างเธอเริ่มที่จะกลัวและคืนนั้น เธอคุยกับแฮนเดอร์ว่ามีอะไรแปลกๆเกี่ยวกับโดนา่าทำไมล่ะเธอทำงานดีไม่ใช่เหรอดีเกินไปนะสิฉันว่านะคุณคิดมากเกินไปแล้วโดนา่าเอาลูกบอลให้ผอมนายสิแน่นอนมาเห็นนั่นไหมเธอไม่ใช่คนธรรมดา เธอเป็นเนมดเธอเป็นตัวอันตรายสำหรับหมู่บ้านเราเฮนเดอฮนเดอออกมามีอะไรอย่างนั้นเหรอเพื่อนเฮนเดอรไหนต้องกำจัดเธอซะเดี๋ยวนี้เลยแต่คุณพ่อเธอเป็นครอบครัวของเรานะเธอเป็นเพื่อนของเราและเธอเอาบอนกลับมาให้กับผมและเธอก็ช่วยเราหลายอย่างเลยเธอช่วยแม่ของเรามาตลอดด้วย เธอเป็นแม่มดและเธอไม่มีทางเป็นเพื่อนได้แฮร์รี่เราต้องกำจัดเธอเราต้องกำจัดเธอชาวบ้านนำคบเพลิงมาไล่ปีศาศสาวแต่ทันใดนั้นไฟในคบเพลิงของชายคนหนึ่งก็ได้โดนกับกระท่อมซึ่งมีลูกชายของเขาอยู่ข้างในพ่อครับช่วยผมด้วยลูกรักเราเข้าไปหาน้ำมารอเดี๋ยว เธอช่วยลูกชายฉันจะลูกเดไม่เป็นไรเด้อเธอช่วยผมครับแม่เธอช่วยลูกชายของฉันออกจากไฟอย่างปลอดภัยขอบคุณมากนะเห็นไหมครับผมบอกแล้วโดน่าไม่ใช่ศัตรูเธอเป็นครอบครัวแล้วก็เพื่อนของเราขอโทษด้วยนะโดน่าเราขอโทษนะเราเห็นเธอใช้พลังเลยคิดว่าเธอจะทำร้ายพวกเรานะ ไม่เด็กฉันผิดเองแหละฉันโกหกพวกคุณเพื่อที่จะได้มาทำงานที่นี่ความจริงแล้วเมื่อฉันเห็นสามีของคุณกำลังทานอาหารอย่างอร่อยอร่อยฉันอยากกินมันมากๆนั่นกันเลยเป็นเหตุผลที่ฉันมาที่นี่ฉันน่ะไม่ควรที่จะโกหกคุณเลยขอโทษอนะ อาหารของคุณมันสุดยอดมากเลยแหละคุณนายแฮนเดอร์สันแต่ว่าตอนนี้ฉันคิดว่าถึงเวลาที่ฉันควรจะไปแล้วล่ะอย่าไปนะโดนนะที่ของฉันอยู่ในป่าแฮร์รี่แต่นายมาหาฉันได้ทุกเมื่อที่ต้องการเลยนะจำไว้นะถ้าอยากให้ผู้คนเชื่อใจนายนายต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเอง และตัดสินคนจากสิ่งที่เขาทำไม่ใช่รูปร่างของเขาหากพวกเขาจิตใจดีมันก็ไม่สำคัญดอกนะว่าเผ่าพันธุ์ของพวกเขาจะเป็นอะไรไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือว่าปีศาจ